บทสวดทำวัดเย็นวัดพระรามเก้าการชนาพิเศษนำสวดโดยพระเทพพญานวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการชนาพิเศกพร้อมคณะสงฆ์อรหังสมานสมบุทโภพะกวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าเพิงกิเลสเพ่งทุกข์สิ้นเชิงเราจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบุตรทางพระเาวันทางอภิวาเดเมถ้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผ้มานสวาข้าตัวพวะมมระเจ้ตาธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนนามสามมิข้าพระเจ้านมสักการพระธรรม สุปฏิปันโนภกะกวาโตสาวะกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปติบัติดีแล้วสั้างทางอามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ยะ ม, มมะโคตังภควันตังสรนังกะตา โอเดสสบะบจิตายโณขะควาสทธายัตสะจมายังภะควะโตธรรมังโรเจมะอิเมหิสกาเรหิตังภะควันตังสสะธรรมังสสาวะกะสังคังอภิปูชยามะขันดานิมายันตังภควันตังวาจายาอภิายิตุงบุบะภาณามะกาวรันเจวะ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 p ระสร r ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะวะโตขอนนอกน้องแดกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึรงมเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะร r สรุชอบได้โดยพระองค์เมม อ, องเ นะโมทัสสะอาตะวะโตข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมาุท ธ, ธาตุราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ตังโคปันนรราภะวันตังเอวานะยาโนจิติสัตโดอภุกัตโต้ข้อจิติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่ายิติปิสโสภะวาพราเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น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 เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตต ร, รบุริสธรรมสรารสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเดวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตรโถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม พระควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้อนดมยังบุธาพิกีติงกโรมมาเสบุทตทวาระหันทวารตาดีคุณาพิยุตโตราพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุทธาพิญญานการุณาหิสมากตะตะโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธิ์โมเดสิโยสุจนาตังกามังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน ด, ดูดอาทิตธรรมบัวให้บานบานนามหังตมรนังศิรสาจิเนตังข้าพเจ้าไหวพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงเข่าวบุดโทโยสัพปะปานินางสารนังแค่มุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสาระอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติธานังวันดามิตังสิเรนหังถ้าพระเจ้าว้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวบวตหัาสาหัสัมมิลาโสวะบุตโอเมสามิามากิสร ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้ามุทโธนุคัสสะทาตาจัตวิทาตาจหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์เก่กูลแก่ข้าพเจ้ามุทัสสันิยาเดมิ สาริรันชีวิตตันทีดตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันโตห่งยริสามิบวชอาศัวาสุบวชิตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายู่จากประพฤตตามซึ่งความตัสรุณีของพระพุทธเจ้านัดทิเมศรนังอันยัง บุตรโเนสระนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเ อ, เ, อ, เ, อนะาเทนัสจวัเชนาวัดเทยังสัตธุสาสาเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในศาสนาของพระศาสดา บวททางเมวันธระมเนนะยังบุญยังบาสุตังอิทาข้าพระเจ้าขู่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้นขนากวุญใดในบัดนี้สาบเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตยัสาขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้น กายเยนวาจายวะเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมุทเทกุกามังปะกตังมยายังกามนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำล่วงเกินแล้วในพระพุทธเจ้าบุตรโทปิกนณะตัวเจยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงอดทนร่วงเกินนั้นนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะบุเตเพื่อสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันดมยังธรรมานุสติณยางกัโรมเเสวะาขาโตภะกวตาธรรมนม ราธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหยปสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมานูเถิดโอปัญญโกเป็นธรรมที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโบวินยูหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันธรรมยังธรรมาภิกิติังกโรมเัเส สวัาดาิ ต, ตาที่กุณ ย, กาาาายโยกวาเสนสยโยพระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมก บ, บกักบักปริยติวิโมกขเภโดพระธรรมใด จำแนกเป็นมรรคผลปรียบและนิพพานธรรมโมกุลอกปป ต, ตานาตระธาติธา ร, ารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันดามหังตามหารังวรธรรมเมตมัง้ า, าพระญาไวพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขระจัดเสียซึ่งความเมื่อ ธรรมโมโยสัพพานินางสารนังเขมภูตตมังพระธรรมนังเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายนุทิยานุสติธานังวันดามิตังสิเรหังอภะญาวัยพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยสิ่งเา้า อาหมาสาหาสมินาโซวาทามโมเมสามิกิสรข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่มีอิสระเหนือข้าพเจ้าทามมัลุคัสคาตาจาันิธาตาจัิตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์เพื่อคูลแก่ข้าพเจ้า ธรรมะสั่งนิยานมิสาริรันชีวิตันจิดังอาพระเจ้ า, าของมรายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันดันโตหั่นกฤตสามิธรรมะเสวะสุธรรมะทางอ า, าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพฤติธรรมเส่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนางัญญา อรมโมเมสารนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัดยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันดาเนนะ ยังบุญยังประสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขนขวายบุญใดในบัดนี้สาบเดิอันตรายาเมมาเหสุงกับสติจะทราบขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวาจจเยว่าเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมะกุกรรมังปะกตจตังมายายังกรรมนาดิเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำล่วงเกินแม้ในพระธรรมธรรมโมปฏิกันาตุอัจิยันตังขอพระธรรมจงอดชอนล่วงเกินอันนั้น กาลันตะเรสังวริตุงวัมเมเพื่อสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันดมยังสังขานุสติณยังกโรมเัเสสุขติปันโนภะกวะโตสาวกาสังโอ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติดีแลว้วเวยุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกัสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติตรงแลว้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกัสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะวะตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติสมควรแล้วยาดีดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัดตาริปุริสายุคานิอัฏาปุริสบุกัลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพะกวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโยเป็นสงควรแกสักการะที่เขานมามุชาราหุนโย เป็นสงควรแกสการะที่เขาจัดไว้ต้องรับท่าจินายโยเป็นสงควรรับทักษิณาทานอัญชริการานิยอเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนุตตรังคุญยเกตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ อันดมยังสังขาภิกิติงกโรมเัเเสสัทธรมมาจดสุปฏิปติคุณาดิยุตรพระสงฆ์เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตน้นโยธมปิโทรอริยาุคลาสังคเสโท เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปละจำพวกศีลาิธรรมบาวราศัยกายจิตตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้น อ, นอนันบรวรวั น, ว น, วนดามหังตรมาริยานักขันสุดสุดทางขาาา้าพระเจ้าไว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นบริสุทธ์ด้วยดี สร้างโคอโยสัพปานินางสารนังแค่มุตมังพระสงฆ์หูไดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาายานุสติทานังวันดามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าว้วพระสงฆ์หูนั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึอกองค์ที่สามด้วยเสียงก้าว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 สร้างคาสั่งนิยาเมิสัริรันชีวิตอันจีดังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันดันโตหังนกฤตสาามิสร้างคะโซปฏิบันตังข้าพเจาผู้ว่ายู่จากพระพุทธตังซึ่งวางเป็นผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณะัญญา สังโคเมสรนังวรังที่เพึ่อื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นที่เพึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตรสัจวัตเชนาวัทยังสทธุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศ า, ส, าสดาสร้างขังเมวันรมานนา ยังบุญยังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าูัว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้นขนไายบุญใดในแตรนี้สำเมพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตาสเทจัสาขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวาจายวาเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสร้างเคกุกกรรมังประกะตังไม่ยั่งยังคำหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำล่วงเกินแล้วไนพระสงฆ์สร้างคอปฏิการหาถูกอจายันตงังขอพระสงฆ์จงอดโทษล่วงเกินอันนั้น กาลันตะเรสังวริตุงวะสั่งเเคเพื่อสังรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันดมยังบรมวิหาระพระณังพระนามาเสสัพเพสัตตาสัตส์ตทั้งหลายทั้งปวงอาเบราหุนตว จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดอภิญญาปชาโหตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดานิฆาโหดุจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอตานังบริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดสัพเ์เดศตา สัตทั้งหลายทั้งปวงหนุกข้าปะมุจันตุจงพ้นจากทุกเถิดสัปเแบสัตตาสัต์ทั้งหลายทั้งปวงมาลทธาสัมปติโตวิกาชันโตจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิดสัปเแบสัตตาสัต์ทั้งหลายทั้งปวงกามสกาะ เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมดยาดาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเดินกรรมบานดวเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมปาิสารณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยอย่างกรรมังกริสันติ จยากทำกรรมนใดนไว้การระยานงวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตาสดาญาดาภวิสันติอยากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นายังโคเมกาโยงกายของเรานี้แหละพวดทางบาดาลาเมื่อมบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา ราโทเกสามมัตกาเบื้องดำแด่ปลายผมลงไปฐานจับปริยันโตมีนังอุมอยู่เป็นที่สุดรอบปุรนานาประการะสะสัสุจินโนเต็มใบด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ แกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมังสาคือเนื้อนาหารูคือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกว่ากางังตาย าอาดายัางหัวใจยากะนังตับกิโลมังางพังเกิดปิหากลางม้ามปากผาสังกรอันตังไสใหญ่อันตาคุนางไสน้อยอุดริยังอาหารใหม่กะวิสังอาหารเก่ามัทคถเกมัทเถลุงกัางเยื่อในสมองศีสันปิตานามดี เสมหางน้ํำเสลบุบโบน้ําเหลืองลอยต่างน้ําเลือนเสโนน้ําเงือเมโดน้ํามันคข้นอสุน้ําตาหัวสาน้ํามันเหลวเขโลน้ําลายสิงคานิกาน้ํามูกราสิกาน้ําไขข้อมุดต่างน้ํามูดเอวะมายังเมกาโย กายของเรามีอย่างนี้อุดทางบาดตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัโทเกสรการมัตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเธาจะปริยันโทมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการะสะสุจิโน เตมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้อนตมยังปฏิดานังพนามัเสปุญญาสินานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเอสัญญะพางิโนหุนตุสัตตานันตาปะมาณกะ ขอสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจาคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายหังมาตาปิตาไดโย มีม า, ารดาแลบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเตทาเมชาปะยาิธาวะที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมจดดาจดเวริโนัสัตาติทัณติโลกสัสส밍แต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเว้นกันทั้งอยู่ในโลกเทภุมมาจตุโยนิกา เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนอสีปานเจคจตุวการานมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีสร้างสรันตาพระวาพระเวทางเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาทังเยปฏิดานมเมสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยัง ขอสัตว์เหล่านั้นจองอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนัพปชานันเพก็สัตว์เหล่าใดยังไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เดวาเตสรั้งนิเวทะยมขอแทบทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาดินนานปุญญานังอนุโมน า, านเฮตุนา ราเหตกคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสักเบสัตตาสนาหุนตัวอเวราสุขชีวิโ น, อนขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเว้นอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแค่มกปะันจักปะปนตัวและจงถึงทางอันกเกษมเถิดแต่ซาซาสิจตังสุภา ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด